พอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นเวลาฟังธรรมพร้อมกันนี้ก็เป็นเวลานั่งกรรมฐานภาวนานั่งสมาธิให้พากันนั่งขัดสมาธิ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 เอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ได้แก่คำว่าพุทธโธจงนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทธโธก็คือพระพุทธเจ้าเป็นชื่อเป็นนามของพระพุทธเจ้าของเราพุทธโธนี่แหละให้กำกับอยู่ที่การได้ยินได้ฟัง และลมหายใจเข้าออกด้วยเพื่อให้มีความหมายหลายๆอย่างจะรวมเอาจิตใจลงไปให้เป็นดวงหนึ่งดวง <c oughs> เดียวนั่นเองแต่ต้องมีวิธีการนึกน้อมเอาคุณสัพพุทธเจ้าเป็นนาลมการภาวนาเบื้องต้นนี้ สมาัยพระพุท ธ, ธเจ้าของเราในคืนวันที่พระองค์ตรัสรู้ได้ตรัสรู้นั้นพระองค์นั่งสมาธิภาวนาใต้ต้นไมโพแลกต้นไมโพก็ยังไม่เรีย ก, กว่าต้นไมโพแหละแต่ว่าพระพุท ธ, ธเจ้ามานั่งภาวนาได้ตรัสโพธิญาณ เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นภายหลังคนทางหลายก็ให้ชื่อว่าตนไมโคธิโพธิยานในวันที่พระองค์นั่งสมาธินั้นแดว่าไม่มีเสื้อสะอาดอาสนะถ้าฝนตกก็เกียกแหละแต่บังเอิญคืนนั่นฝนไม่ตก หลังจากพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้แล้วฝนก็ตกเทลงมาจนกระทั่งมีพระนาคปกคือว่าพญานาพญานาคคืองูใหญ่มาช่วยบังฝนให้ ในคืนนั้นเป็นคืนวันวิสาขาบูชาเดือนหกเพนบทภาวนาของพระองค์ก็อนาปาลมหายใจเข้าออกคือเวลานั้นยังไม่มีพระพุทธเจา้าก็พระองค์เรานี่แหละจะได้ตัดเป็นพระพุทธเจา้าแต่ยังไม่ได้ตัด แต่ท่านก็เลือกอุบายภาวนาเอาลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในใจคือลมเข้าและลมออกนี้เป็นลมธรรมดาอากาศออกซิเจนไปเลี่ยงร่างกายแต่จิตใจนั่นเป็นผู้รู้ว่าลมหายใจเข้าออก พระองค์ก็มีสติระวังไม่ให้จิตคิดไปภายนอกให้มาเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกลมที่เข้าไปก็ผ่านดวงจิตผู้รู้นั้นว่านี่เป็นลมเข้าไปเวลาลมออกมาก็มีความรู้สึก ว่านี่เป็นลมออกผู้รู้ว่าลมเข้าลมออกผู้เพ่งผู้กำหนดว่าลมเข้าลมออกนี่แหละท่านเนี่ยว่าจิตจิตใจนั้นไม่มีรูปร่างสีสันฐานเหมือนรูปร่างกายของคนเราจิตเป็นนามธรรมมีความรู้สึกในลมหายใจพระองค์ก็ กำหนดลมหายใจนั่นแหละเป็นอุบายทมภายในกั้นไว้ไม่ให้จิตฟุ้งซ่านจิตสังขารล่วไหลไปในที่ต่างๆทันรวมจิตใจเข้าไปด้วยอนาปาลมหายใจ ใจิตใจของพระองค์ก็เย็นสบายลงไปเพราะว่ามาถึงสถานที่อันสำคัญอันศักดิ์สิทธิ์แล้วเมื่อจิตของพระองค์รวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ชื่อว่าสมัตกรรมฐาน เป็นสมาธิอย่างต่ำเป็นสมาธิอย่างกลางเป็นสมาธิอย่างสูงสุดอัปปนาสมาธิจิตใจพระพุทธเจ้าของเราก็แน่วแน่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ใดๆทั้งหมดยนพระองค์จเจริญ ภาวนาพิจารณาลูกนามกายใจจนเห็นแจ้งว่าลูกหมายถึงตัวนามหมายถึงจิตมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งลูกและนามทั้งกายและจิตเมื่อเห็นแจ้งภายในจิตใจของเธอองค์ก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นที่เคยเป็นมา เห็นแจ้งว่ารูปนามกายใจนี้เป็นก้อนทุกเป็นกองทุกข์เห็นว่ารูปนามกายใจนี้ไม่ใช่ตัวตนของพระองค์เป็น้าโลกเป็นของโลกเขาเจตใจของพระองค์ก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในตัวในตนในสัตว์ในบุคคล เรียกว่าพระองค์ปรัสโลภตรัสปกปิเลสความโกรธได้ปรับกิเลสความโลภความหลงได้หมดพร้อมทางวาสนาต่อมาจึงได้โปรดสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายให้ปฏิบัติภาวนาทำใจให้สงบด้วยการนึกบริกรรม ลมหายใจก็ได้พุโทโธมรณะภัยความตายก็ได้ความเจ็บไข้ความลัดขาดจากสัตว์แสังขารหรือในร่างกายสังขารของคนเหล่านี้ก็เป็นอุบายภาวนาได้แต่ละชิ้นแต่ละอันอะไรก็เป็นอุบายภาวนาได้ แต่ที่ท่านยกขึ้นมาว่าเอาพุทธโธคุณพระพุทธเจ้าเป็นภาวนาคือพุทธโธนี้ก็เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนากวัณลในพุทธศาสนานี้ถ้าขาดไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นอันว่ า, าศาสนาพุทธก็ไม่มี เมื่อพระพุทธเจ้าได้ภาวนาตัดสู้แล้วศาสนาพุทธก็เรียกว่าพร้อมมาในสมัยขัางพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเจริญลนลุงเรืองมีผู้ประพฤติปฏิบัติชอบบำเพ็ญทานรักษาศีล จเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสนาธรรมฐานทั้งญาติทั้งโยมทั้งพระอิศุสงและก็ได้มีผู้บรรลุเป็นหลักฐานเป็นพระโซดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอาราหาันตาทั้งนักบูตรและนักบ้าน ไม่ได้เลือกนี่คือว่าแสดงว่าพระธรรมอินทในสัตถุศาสนาคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงจัดทรงสอนนั้นคนสมัยก่อนท่านมีความเคารพนับถือทำตามไม่เหมือนคนสมัยนี้ ฉะนั้นมรรคผลนิพพานสมัยนั้นจึงมีเต็มไปหมดเพราะท่านภาวานาทำความเพียรละกิเลจริงๆไม่ได้เอาแค่ความสุขความสะดวกสบายทางเนื้อหนังมังสังร่างกายสังขารนี่เท่านั้นท่านเอาจิตภาวานาจริงๆ เมื่อมาถึงพวกเราโดยเฉพาะในคืนวันนี้ได้มานั่งสมาธิภาวนาที่ถ้ำาพากหลองนี้ก็ให้พากันตั้งใจไม่ให้จิตใจคิดไปนอกเรื่องนอกราวให้ใจมารวมมาสงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ที่ถ้ำาพากหลองนี้แหละเป็นเขตนอก เขตในเข้ามาก็ให้ใจเรามาอยู่ในตัวนี่แะตัวนี่หมายถึงขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี่คือตัวเราโดยสมมุติให้จิตมาภาวนาพุทโธอยู่ในนี้พุทโธพุทธะหมายถึงจิตใจผู้รู้อยู่ภายในตัวภายในใจนี่แหละ องพระพุท ธ, ธเจ้าก็ไม่ต้องส่งจิตใจไปหาท่านที่อืนให้โอปานิโกน้อมเข้ามารวมเข้ามาว่าพระพุท ธ, ธเจ้าก็อยู่ที่ใจเราที่เลื่อมใสศักขาภาวนาพุโทโธอยู่นี่แหละพระธรรมนิยมคาสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าก็มีอยู่ภายในใจเรานี่แหละ พระอริยสง์สาวก็วมีอยู่ในใจของเรานี่แหละถ้าเราภาวนาจริงๆจิตใจของเราทุกคนก็จะเข้าถึงพระอริยสงฆ์คือละกิเลสความโกรธโลภหลงในใจของตนได้เมื่อละกิเลสในใจของตนได้ก็ชื่อว่า เป็นพระอริยสง์แต่ความหมายของคนสมัยนี้ก็ไปเข้าใจเอาแค่ว่าพระสงฆ์ต้องหมายถึงผู้นุ่งผ้าเหลืองนุ่งผ้าสีไม่ใช่แต่ว่าพระสงฆ์ในทางพุทธศาสนาจริงๆนั้น ท่านหมายเอาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนละกกายทิติวิจิคิจชาสีลาพัสะปรามาตได้ขาดนับตั้งแต่ขั้นนี้ขึ้นไปเป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าจะนุ่งสีนุ่งขาวนุ่งเหลืองนุ่งอะไรก็ตามโกนผมไม่โกนผมก็ตาม ขอให้ละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจของตัวเองให้เบาไปบางไปจนถึงขั้นหมดไปสิ้นไปเป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าทางนั้นคือเป็นสงสาวกที่จริงๆไม่ใช่เพียงแต่สมมุติให้เป็นสงสาวกเท่านั้น หมายถึงต้องภาวนาละอิเลตได้จริงๆในใจใจโมโหโทโสใจฟุ้งซ่านลำคาญใจโกรธใจโลภใจหลงต่างๆนานามไม่มีมีแต่ใจเมตตาตนคือมุ่งหวังเพื่อให้ตนพ้นจากทุกภัยในโลกในวัฏสงสารไปสู่นิพพานให้จงได้ เมื่อเมตตาตนได้แล้วก็วเมตตาบุคคลอื่นช่วยอนุเคราะห์สงเคราะห์ตามกำลังอันนี้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่โกรธให้ใครไม่โลภอยากได้ของใครไม่อาฆาตพยาบาทจองเวีนใคร มุ่งมากตาขนาให้มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายทั้งคนทั้งสัตว์จริงดีและชัดให้มีความสุขความจะบสบายทุกทวนน่ะเมื่อเราไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายก็ขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเรียว่าวางใจไว้ในเมตตา อันสูงส่งอยู่ในใจของพระอริยสงสาวกนั้นเราทุกคนทุกดวงใจก็ให้พากันตั้งใจรวมเอาดวงจิต ด, ดวงใจที่ภาวนาอยู่นี่แหละให้เป็นดวงเดียวดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ให้ไปเกี่ยวเกาะกังวลกับเรื่องราวภายนอก เพราะว่าในโลกนี้นั้นไม่ว่ามนุษย์โลกเทวโลกพมทธโลกโลกใดก็ตามถ้ามาประพฤติดีปฏิบัติชอบบำเพ็ญภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเลิกละความอิจสาตาร้อนในใจออกไปแม้เราจะเคยโกรให้ใครมาแล้วแต่ เราเกิดม า, าตามเมื่อมาถึงเวลาภาวนาเราก็ต้องให้อภัยชื่อว่าอภัยญาตอนุญาตไม่โกรธเขาโกรธก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่โกรธตอบเรามุ่งให้เขามีความสุขายสบายใจ และออทิตบุญกุศลที่ตนทาตนประกอบกระทมอยู่ให้แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายได้รับผลเมื่อตั้งจิตเจตนาอย่างนี้ใจของเราก็เย็นสบายใจของคนอื่นสัตว์อื่นสิ่งอื่นภายนอกก็เย็นสบายมันเกิดขึ้นจาก ทานศีลนภาวนาที่เราบำเพ็ญมาแล้วแต่อดีตและปัจจุบันชาตินี้หมายถึงกายวาจาจิตหมายถึงดวงจิตนั่นแหละมีเมตตาจิตอยู่ในจิตในใจไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรแก่ใคร มุ่งหวังให้แกสัตว์โลกทั้งหลายมีความสุขโดยเฉพาะการภาวนารวมจิตใจเข้ามาตั้งภายในนี้ทุกคนทุกดวงใจต้องประกอบกับทมให้เกิดให้มีขึ้นคือไม่ต้องไปหาที่อื่นมันมีอยู่ในกายวาจาจิตของเราทุกคนแล้ว ภาวนาที่เรานึกภาวนาพุทโธอยู่มันมีอยู่ที่นี่แล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนเพียงเราฟังธรรมได้ยินเสียงนั้นก็แสดงว่าจิตใจของเรามีอยู่ที่นี่แล้วไม่ต้องไปหาที่อื่นที่อื่นไม่มี มันมีอยู่ที่หนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบมีความรู้สึกอยู่ในใจมันมีอยู่ที่ตรงนี้แหละเมื่อมีอยู่ที่ตรงนี้เราก็ต้องนึกน้อมทำเป็นอารมณ์ดวงเดียวสูตรลมเข้าไปก็ให้ใจรู้สึกเข้าไปเวลาลมผ่านออกมาก็ทำความรู้สึกอยู่ที่ลมผ่านมา แต่ธาตุลมนั้นมันเป็นธาตุจิตใจของเราเป็นมนโนธาตุมนโนธรรมเป็นจิตผู้รู้รู้หมดทุกอย่างถ้ายังไม่รู้ก็หลงไปทุกอย่างทุกเหตการเวลานี้ <c oughs> ท่านต้องการใจสงบใจขั้งมัน่นใจหยุดใจอยู่ จิตผู้รู้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวท่านต้องการตรงนี้ไม่ต้องการอย่างอื่นเมื่อจิตกาผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี้แหละมาสงบตั้งมั่นอยู่ในหัวใจไม่ให้หลงไม่ให้ลืมที่ว่าภาวนานี้ จภาวนาบทใดข้อใดก็ตามถ้าจิตสบงบรลับกั้งมันได้ก็เป็นนโยบายที่จะทำใจให้เข้าถึงความสุขความสบายทางจิตทางใจได้ทางนั้นจิตใจคนเรานี้ไม่ต้องไปหาถ้าเกิดหาว่าจิตใจมันอยู่ที่ไหน เลยไม่รู้ไม่เข้าใจเลยไม่เห็นไม่เห็นไม่หันเพราะจิตนั้นเมื่อตัวเองหาตัวเองแล้วก็ไม่พบและไม่เห็นคาหาว่าวางเฉยอยู่รู้ที่ไหนก็รวมจิตใจลงไปที่นั่นให้จิตใจเย็นสบายใจให้สงบตั้งมั่น คือต้องการเอาใจไม่ต้องการเอายางอื่นได้ส่วนรูปร่างกายนี้มันก็มีความเจริญขึ้นเมื่อเจริญขึ้นหมดขีดแล้วก็มีความแก่ความชราผลที่สดุดชีวิตของคนเหล่านั้นก็เป็นของไม่ยืนยาวข่าวไกลเท่าใดนัก คนในยุคนี้สมัยนี้ก็มักจะไม่ถึงร้อยจีถึงน้อยที่สุดอายุร้อยจีไม่ค่อยมีส่วนมากนั่นขนาดสามสิบสีสิบห้าสิบหกสิบนี่ก็ตายกันเป็นแถวเป็นแนวแล้วอายุไม่ค่อยยืน เพราะอะไรอายุคนสมัยนี้ไม่ยืนเพราะว่าจิตใจนั่นแหละจิตใจมันร้อนจิตใจมันร้อนจิตใจมันห้าวหานไปในทางที่ไม่ดีมันเลยพาให้กายก็ร้อนไปอายุสั้นพลันตาย พอใจมันร้อนด้วยความโกรธร้อนด้วยความโลภความอยากได้ร้อนด้วยความหลงเมื่อจิตมันร้อนไหมอยู่ด้วยกิเลสต่างๆอย่างนี้แหละสมาธิภาวานาจิตใจที่ภาวานามันก็ไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยรู้ ก็ะดิ้นไปอย่างนั้นไอ้นั่นอายุก็สั้นพลันตายการปฏิบัติภายในใจก็นึกน้อมพุโทโธก็ได้น้อยแต่ถ้าคิดไปตามอำนาจกิเลสความโกรธความโลภความหลงคิดไปอยากจะอยู่ในโลกนี้เรื่อยไปนะอั น, นั่นชอบใจ มักจะคิดไปในแนวความคิดอย่างนั้นแต่พระพุท ธ, ธเจ้าท่านให้โอปนาอิโกให้น้อมเข้ามารวมเข้ามาเอาให้จิตใจนี้สงบหลังงับเป็นดวงเดียวเอกังจิตตังเป็นจิต ด, ดวงเดียวเอโกอธรรมโมให้เป็นธรรมดวงเดียวมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในหัวใจ ในดวงจิตดวงใจนั้นเรียกว่าภาวนาอยู่นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่นึกถึงคุณพระธรรมเป็นอารมณ์อยู่นึกถึงคุณพระอริยสงสาวกเป็นอารมณ์อยู่ในจิตในใจของของเราจิตใจก็สบายสงบปลางับเย็นสบายนั่งก็จิตใจสบาย ยืนก็จิตใจสบายเดินไปที่ไหนก็จิตใจสบายไปรถไปเรือก็จิตใจสบายจิตใจนี่ถ้ามันสบายมันสบายทุกอย่างถ้าเกิดใจไม่สบายวุ่นวายรุ่มหลงแล้วอะไรก็ร้อนจีไปหมด เนี่แหละคนเราที่ไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติบูชาจริงๆแล้วเรื่องจิตใจไม่สงบกมมากที่สุดถ้ามารักษาจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในใจในตัวนี่ได้จะยืนก็ใจมีอยู่ในตัวในใจเดินก็ใจมีอยู่ในตัวในใจ นั่งนอนใจก็ให้อยู่ในตัวในใจนี้ตลอดเวลาแล้วจิตใจก็มีความสงบระงับเบิกบานยิ่มแย้มแจ่มใสในธรรมะปฏิบัติไม่ทุกร้อนในหัวใจคนอื่นผู้อื่นเขาทุกข์เขาร้อนก็เป็นเรื่องของเขาเพราะว่าคนเหล่านั้นมันอยู่คนล น, น ลูกคนละลากในนั้นเวลาภาวนาจะให้ใจิตใจสงบไม่ต้องไปห่วงหน้าห่วงหลังวี่ตกวิจารยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่หนี่ให้ใจมารวมกำหลังตั้งมัน่นเอาจริงเอาจังเพราะว่าสมาธิภาวนานี้ ถ้าเราทำได้ทำเป็นทำอยู่เสมอแล้วมันก็ต้องเจริญก้าวหน้าไปโดยลำดับจิตเราไม่เคยสงบแต่เราะ ว, ว่าทำบ่อยๆเขามันก็สงบได้เหมือนกันตั้งมั่นลงไปได้เหมือนกันจิตเคยร้อนมันก็กลายมาเป็นจิตเย็นไปได้ จิตวุ่นวายก็มาเปลี่ยนเป็นจิตสงบหลังรับได้อันนี้เป็นธรรมดาของจิตใจย่อมเป็นไปอย่างนี้แล้วจิตใจนี่แหละมันโย่ขึ้นอยู่กับเจ้าของพาธรรมถ้าเราพาธรรมบุญกุศลพารักษาชิ้นห้าชิ้นแขึ้นไป พานั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกคืนให้ใจสงบได้ทุกคืนแล้วความสุขภายในจิตใจก็จะรู้ได้เข้าใจในใจของตัวเองเพราะว่าใจที่สงบเป็นใจเย็นใจสบายไม่ทุกไม่เหล่าร้อน ถ้าใจไม่ภาวนาแล้วไม่ว่าเรื่องราวอารมณ์ใดกระทบมามันก็เลยเป็นเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเพราะจิตไม่สงบขนานจงทำใจให้สงบให้จิตใจผู้รู้อยู่ภายในตัวภายในใจนี่แหละสงบตั้งมัน่นเย็นสบายอยู่ในใจ <c oughs> คนเราเนี่ยร้อนกอมาจากใจถ้าใจร้อนแล้วอะไรอะไรมันก็ร้อนไปทั้งโลกถ้าใจเย็นสบายนั่งก็สบายนอนก็สบายยืนก็สบายเดินไปไหนมาไหนก็สบายภาวนาพุทโธอยู่ก็สบายอกสบายใจเหมือนกับว่าภายในตัวภายในใจนั้นมีแต่ความเยือกเย็น สบายพอดีไม่มีเรื่องเล่าล้อนในหัวใจการปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าเป็นประธานลองลงมาก็พระอระหันตากินาศจบพรหมจันท์ท่านก็เป็นประธาน ต, ต่อต่อกันลงมาช่วยแนะนำคำสอน ให้มนุษย์คนสมัยนั้นเกิดศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติประกอบกระทำจริงๆการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ไม่ว่ายุคใดสมัยใดว่ายุคใดสมัยใดเมื่อตั้งใจภาวนาจริงๆเนี่ยมันสบายได้ทุกคน ที่มันไม่สบายก็คือว่าเรายังทำน้อยไม่พอเพียงกับจิตใจที่จะสงบระงับนั้นถ้าเราทำให้มากจเจริญให้มากพาวิตาบาหุรีกตะระองทรงตัดว่าจงนึกให้มากเจริญให้มากรวมจิตใจให้เข้ามาอยู่ภายในใจ ไม่ต้องให้ไปอาศัยอยู่ในที่อืน่นพุทธโธพ ร, ระพุทธเจ้าให้ถือว่าอยู่ในตัวในใจนี้ไม่ใช่พุทธโธภายนอกพุทธโธจริงๆมันอยู่ภายในได้แก่จิตใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี่แหละเมื่อจิตใจดวงนี้อยู่ที่ไหนก็ภาวนาอยู่ในดวงใจอันนี้ การภาวนาในใจนั้นไม่เลือกว่นนั่งแบบไหนก็ภาวนาได้ยืนแบบไหนก็ภาวนาได้นอนก็ภาวนาได้แต่ว่าการภาวนาต้องนั่งภาวนาก่อนหรือว่าเดินจมกรมภาวนาก่อนถ้าไปนอนก่อนแล้วมันเกิดหลับขึ้นมาก็ไม่ได้ภาวนา แน่นั้นการภาวนานี้จึงเป็นหลักปฏิบัติของพุทธบริษัทในทางพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยประพุท ธ, ธเจ้าต่อเนื่องมาจนถึงพวกเราทั้งหลายได้มาเกิดเป็นคนมีความสนใจในการปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติจนจิตใจสงบระงับจึงชื่อว่า การตารกความเพียรคนเราเมื่อความเพียรความหมันความขยันขันแข็งมีอยู่ในจิตใจของบุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นก็รู้ได้เข้าใจในธรรมปฏิบัติเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในจิตใจของคนเราทุกคนเดี๋ยวนี้เวลานี้ใจ ดวงจิตดวงใจนั้นมันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ในร่างกายนี่แหละอยู่ในจิตใจผู้รู้อยู่ภายในแต่ถ้าจิตนั้นมันพุ่งซ่านออกไปภายนอกมากเขามันไปเก็บเอาอารมณ์เชียวเชียหายหายของเขาของเรามาเป็นอารมณ์ทุกข์ร้อนจึงได้พาให้กันทุกข์ร้อนไปเรื่อยไป เราต้องนึกว่าเราจะไม่ทำความร้อนใจให้บังเกิดมีขึ้นแกบุคคลผู้ใดในโลกนี้และโลกน้าเพียรพยายามตั้งสติอารมณ์อยู่ภายในจิตใจให้ดีไม่โกรธ ใ, ใครใครไม่แสดงโทสะจริตออกมาเรีย่ยวแสดงคำคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมา มีกายก็กายสงบมีวาจาก็จะวาจาสงบมีจิตมีใจก็ให้จิตใจสงบตั้งมัน่นเมื่อจิตใจคนเรามีสติโยตุทุกเวลานั่งก็มีสติยืนก็มีสติเดินก็มีสติตาดูหูฟังอายิตนัทั้งหลายกระทบกันก็ ให้ใจสบายใจตั้งมั่นไม่ให้ใจเล่าร่อนด้วยกิเลสโทสะโมหะในตกกในใจจิตใจดวงนี้เมื่อผู้ปฏิบัติภาวนาดังกล่าวมานี่อยู่เสมอแล้วจิตใจผู้นั้นก็จะค่อยเย็นเป็นสุขนอนุว่าสุขใจ สกใจนั่นถ้ามันสงบลังับแล้วก็ปรากฏเห็นได้รูได้ด้วยกำลังจิตใจของตนเองเมื่อละตันหาได้วางตันหาความยิ่นลนวุ่นวายออกไปจิตใจก็จะปรากฏการขึ้นมามีความสงบมีความเย็นมีความสบาย นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็ได้ทุกเวลานึกถึงคุณพระธรรมได้ทุกเวลานึกถึงคุณพระอริยสงฆ์สาวกได้ทุกเวลาเมื่อใจของเราเนึกได้เจริญได้อยู่อย่างนี้แหละชื่อว่าเป็นพื้นฐานแห่งการปฏิบัติธรรมะ ใครจะเดือดร้อนวุ่นวายใจเราอย่าให้ไปเดือดร้อนวุ่นวายกับเขาใจเราให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อใจเรานึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่จิต ใ, ใจที่เร่าร้อนก็จะหายคลายออกไป นามพระทัยใจพระพุทธเจ้านั่นเป็นของเย็นสบายเมื่อเราล้ำลึกถึงคุณของพระองค์มีพุทโธพุทโธในใจเป็นต้นก็ย่อมพาให้จิตใจของผู้ล้ำลึกนั้นเป็นสุจิตสุกใจได้คือเป็นที่พึ่งได้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นที่พึ่งได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ อยู่ดีสบายก็กราบไหว้บูชาได้ไม่สบายกายไม่สบายใจก็กราบไหว้บูชาได้เพราะเมื่อกราวไหว้บูชาแล้วจิตใจของเราก็เย็นเป็นสุขไม่ทุกร้อนประการใดใจนั้นไม่ใช่ว่ามันไม่มีจิตใจของคนเรามันมีอยู่แล้ว แต่ว่าจิตใจดวงนี้ยังไม่ได้มาชำระแก้ไขยังไม่ได้มาละอิเลกความโกรธความโลภความหลงให้เบาบางจนถึงขั้นหมดไปสิ้นไปจึงต้องมีการปฏิบัติบูชาภาวนาประกอบหลายอย่างหลายประการแต่ก็มารวมอยู่ที่จุดว่า ให้จิตนี้สงบตั้งมั่นอยู่ภายในใจไม่ให้หลงไม่ให้ลืมไม่คิดไปในอดีตอนาคตมากให้มาเจริญภาวนาอยู่ในเวลาปัจจุบันคำว่าปัจจุบันนั่นก็คือว่าเดี๋ยวนี้ขณะนี้แหละไม่ต้องไปหาที่อื่น ถ้าเกิดไปหาที่อื่นก็เลยเป็นตัณหาหาไม่พบหาไม่เห็นล่ะเพราะว่าจิตมันไม่มีลูกหลานถาภาวนาอยู่ในใจให้จิตใจมาสงบตั้งมั่นจิตใจมันก็เห็นใจอยู่ในนั้นจิตการปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนั้น มันเกิดขึ้นจากใจถ้าใจดีมันก็ทําดีได้ถ้าใจเสียแล้วอะไรอะไรมันก็พาให้เสียไปหมดที่ท่านให้นึกบริกรรมคําว่าพุทโธก็เพื่อให้ใจมันดีใจพระพุทธเจ้าท่านดีแล้วใจพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านดีแล้วใจของเราเนี่ยังไม่ดี จงพาการเตือนใจของตนอันนี้ให้ได้ทุกเวลาเมื่อเรามีสติเตือนใจของเราได้อยู่ใจของเราก็เจริญก้าวหน้าในทางพุทธศาสนาฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติ ก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการฉนนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโคมินัสตุมาเตป ว, วัตวันตราโย ο. สุขีทีคายุโกภวะอิวาธนาชิริชนิตจังวุ ธ, ธาเปจายิโน จตาโรธรร ม, มาวัฒนติอายุวันโอสุ ข, ขังสาลังไม่รู้ว่าอะไรกระทบตากระเทือนหูก็มีจิตใจเย็นสบายอยู่ในตัวในใจนี่เองนี่คือว่าจิตใจมันสงบอยู่ตั้งมั่นอยู่ถ้าว่าใจนี่ไม่สงบตั้งมั่นแล้วมันก็แสสายไปโนนแค่สายไปนี่ จิตใจของบุคคลผู้นั้นก็สันสะเทือนด้วยอารมณ์ต่างๆคือว่าการมั่หามันผ่าไปภาวะตันหาพาไปวิภาวะตันหาผ่าไปนั่งมันก็ไปอยู่นอนมันก็ไปอยู่ยืนมันก็ไปเดินมันก็ไปเรื่อยไปคือไม่สงกระ ง, งับตั้งมั่นอยู่ในดวงใจคือไม่ถือเวลานี้เดี๋ยวนี้เป็นละ มน า, านสังขารมันโกหกพกลมคนเราอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่นี่มันก็ไม่อยู่ที่นั่งยืนอยู่นี่มันก็ไม่อยู่ที่ยืนเดินอยู่มันก็ไม่อยู่ในที่เดินนะั่นมันวุ่นวายไปตามอารมณ์กีเลส เวลาภาวานาท่านจงให้เนิสน้อมเพี้ย น, นเพ่งดูร่างกายสังขารของตัวเองนี้ว่ามันมีความสำรุดทุดโทมเป็นไปอยู่เสมอคนเราทุกคนนั้นไม่ใช่อยู่ดีสบายแต่เราก็เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้เราไม่เราอยู่ดีสบายอยู่ ความเจ็บไข้ได้ป่วยอันรุนแรงยังไม่มาถึงเราก็ว่าเราสบายแต่ความสบายของลูกประขันนี้อย่าเข้าใจว่ามันสบายแล้วก็สบายเลือยไปถ้ามันไม่สบายขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดขึ้นในจิตเพราะว่าความไม่สบายนั้นมันเป็นการเจ็บปวดทุกขเวทนาไม่ว่าโรคชนิดใดมันบังเกิดมีขึ้นในร่างกายตัวตนคนเราแล้ว มันก็เจียแทงอยู่อย่างนั้นเองทีนี้เมื่อความสบายมาถึงเข้าก็เหมือนกับว่าเราไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยประการใดเพราะความสบายกายมันบังเกิดมีขึ้นจิตก็คลอยมาอาศัยอยู่ในร่างกายที่ว่าสบายลั่นอันความจริงแล้วท่านว่าความตกสบายนั้นมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไป เพราะว่าในโลกเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านามะรูปังอนิจังนามในยลูกไม่เที่ยงคําว่านามในยลูกไม่เที่ยงนามก็หมายถึงจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่คิดนึกอยู่นี่เองตรงแตงโยนี่แหละเนา ว, ว่านามมาขันลูกก็หมายถึงร่างกายสังขารตัวเราท่านทั้งหลายที่นั่งฟังธรรมอยู่นี่ นั่งสมาธิอยู่นี่แหละโลกนี้ก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่เป็นอย่างนี้ตลอดไปดูเวลาเราเกิดมาทีแรกเป็นอย่างหนึง่งจะเลิิญนขึ้นมาเป็นอย่างหนึง่งเมื่อแกชราก็จะเปลี่ยนลูกเปลี่ยนโฉมไปอีกอย่างหนึง่งก็ยอมแสดงถึงความไม่เที่ยงทั้งหมดอย่าว่าแต่ตัวตนคนเรา สิ่งภายนอกจะมีวิญญาณคลองได้แก่มนุษย์และสัตว์ต่างหลายไม่มีวิญญาณคลองได้แก่ต้นไม้เทวันดินทั้งหลายมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะทุกเวลาแต่ว่าคนเรามันก็กําหนดไม่ได้มองไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ส่วนว่าอย่างคนเราก็เห็นจริงแต่ว่ามนุษย์คนเราไม่ว่าที่ไหนเกิดมาแล้วมันก็ดิ้นรนวุ่นวายสแสวงหาการกินการนอนไปตามภาษามนุษย์แล้วมันก็มุ่งจะเอาความสุขความสบายในการที่เกิดมาแต่หาลู่ไม่ว่าความตายนั้นมันรออยู่มันคอยอยู่รอการเวลา ได้จังหวาะเมื่อใดมันก็ตายนั่นก็คือว่ามันไม่เที่ยงมันจึงตายมันไม่เที่ยงจึงมีความทุกข์เมื่อไม่เที่ยงก็มีทุกข์ไม่เที่ยงก็ไม่ใส่ตัวตนของเราเจตญาได้หลงไหลออกไปรับเอาให้นึกให้ภาวานาเพียนแช่งอยู่ในจิตใจอันมีความสงบต่างมัน่น เพราะสิงทั้งหลายในโลกเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นอยู่นั้นถ้าเราดูผิวเผินก็เหมือนกับว่ามันจะเป็นอยู่อย่างนั้นคนเราที่เกิดมาทีแรกเป็นเด็กเป็นทารกถ้าเราดูไม่ขีดท่วงก็เข้าใจว่าจะเป็นทารกอย่างนั้นตลอดไปอีกไม่นานความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาาัตตามันก็เปลี่ยนแปลงขึ้นมาโดยลำดับ แรกไปไหนมาไหนไม่ได้ก็เคลื่อนไว้ไปมาได้แรกตัวเล็กนิดเดียวต่อ ม, มันก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปโดยลาดับเมื่อเจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปหมดขีดก็แสดงความชำรุดทุดโทมตาไม่ดีหูไม่ดีฟันไม่ดีเนื้อหนังมางสังโรคภัยไข้ไขเจ็บก็ตามเหยียดเยียนเข้ามาอีก นี่แลมันแสดงหลักอนิจังทุกคั้งอนัตตาอยู่ทั้งในตัวเราทั้งในตัวบุคคลผู้เอนทั้งมนุษย์โลกสัตว์โลกทั้งหลายมันก็แสดงแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่ในโลกอย่างนี้เองเมื่อมันแสดงอย่างนี้แล้วจิตใจให้ภาวนาดูให้เข้าใจพระพุทธ เ, เจ้าทรงตรัสว่า โลกนามกายใจตัวตนสัตบุคคลทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีความเป็นทุกข์มีความไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดแต่ใจิตใจคนเราก็มักจะมายึดเอาถือเอาว่าตัวข้าของข้าตัวโกของโกตัวเราของเราเราเป็นนั่นเราเป็นนี้ มันก็เป็นได้ชั่วระยะหนึ่งไม่คงที่ไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปเพราะอะไรเล่าก็เพราะว่าลูกประขันคนเหล่านั้นมีชลาความแก่มีพยาความเก็ดไขรอการเวลาอยู่มีมรณะคือความตายที่จะมาถึงตัดตัวตนบุคคลที่อยู่นี้ ไม่มีใครจะพ้นไปจากความแก่ชราเจ็บไข้ได้ป่วยแปกดับตายไปได้เลยเมื่อหนีไปไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้เฉลียวฉลาดสามารถสัพพันยกุทธะพระองค์ก็รู้ว่าทางที่จะลบหลีกก็มีอยู่ทางภาวนาทางรักษาศีลบำเพ็ญทานภาวนานี่เองเมื่อภาวนาอยู่จิตใจตั้งมั่นอยู่ อะไรอะไรเมื่อใจเราตั้งมั่นใจไม่ไปทุกข์ไปร้อนกับสิ่งทั้งหลายใจสงบใจเย็นใจสบายใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่นี่แหละความสงบระงับนี่แหละเป็นทางหลบหลีกเลิกออกจากความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆสมมติว่าร่างกายเราไม่สบายจิต ด, ดวงหนึ่งมันก็มาเยื่อมาถือว่าเราไม่สบาย น้อยเนื้อต่ำใจเพราะว่าเราเป็นคนมีโลกมีภัยนะจิตมันมีตกวีจารไปแต่จิตหนึ่งถ้าเราภาวานาดูให้ดีแล้วธรรมดารูปประขันอันนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่มีทางหลบหีกไปได้จะไม่ให้มันเจ็บไข้ใดป่วยนั้นเป็นไปไม่ได้ฟางแต่ว่ามากบ้างน้อยบ้างตามตามแต่ ร่างกายของบุคคลนั้ น, น, นเมื่อเวลาอยู่ดีสบายจิตก็ยาได้ประมาตประมาทว่าเราไม่มีโรคมีภัยก็ไม่ได้เพราะว่ามันเจ็บได้ทุกเวลามันเกิดขึ้นมาได้สิ่งที่เราว่ามันไม่คงไม่เกิดขึ้นมามันก็เกิดขึ้นได้สิ่งที่เราคิดว่ามันคงไม่เป็นไปได้แต่มันเป็นไปได้ก็มี เมื่อเป็นเช่นนี้หน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องพัฒนามุ่งมองให้เห็นในร่างกายสังขารของเราทุกคนนี่แหละภายในเป็นอย่างไรเราเห็นแต่ผิวนอกร่างกายภายในหนังหุ้มอยู่เข้าไปถ้ามีอะไรมาถูกมาตามเข้าถึงหนังขาด ้าเลาะกอกเปลือไปจะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาสแสดงว่าในร่างกายของคนเรานี้เราไม่ค่อยได้เพ่งทิจณาดูกายกตาสติก ร, รมฐานการกำหนดกายของตัวเองมักจะหลงดื่มเคยเช็ดไปสั่งแต่อารมณ์ที่มันเคยลุ่มหลงมัวเมาอยู่ส่วนร่างกายสังขาร อันเต็มไปด้วยเนื้อหนังมังสังเช่นเอ็กระดูกกระดูกสามร้อยท่อนของตัวเองไม่ดูไม่กำหนดพิจารณาจิตจึงได้ได้ไปหลงกระดูกสามร้อยท่อนของบุคคลผู้อื่นบุคคลผู้อื่นมันก็มีกระดูกสามร้อยท่อนด้วยกันมันรอเวลาหลุดเวลาทําลายอยู่ ตัวเราก็เหมือนกันกระดูกสามร้อยท่อนมันรอการเวลามันจะหลุดออกเมื่อใดเวลาใดไม่เมกัย ร, รู้ระวางขากระดูกข้าและกระดูกแข้งมันจะหลุดออกเมื่อใดเวลาใดมันก็รอเวลาระวางกระดูกขากับกระดูกแข้งท่อนบนมันก็รอเวลามันจะหลดุดเดี๋ยวนี้เนื้อหนังมังสังยังห่อหุ้มอยู่ ถ้าหมดลมหายใจวันไหนเวลาใดก็ลุดน่ะมันอยู่ไม่ได้เพราะร่างกายสังขารนี้มันมีความชำรุดทรุดโทรมมีความแก่ความชรามีความชำรุดทรุดโทรมมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็คือว่าซ่อมแซมอยู่เสมอ เข้าลวงอยู่เสมอเข้าลวงซ่อมอยู่เสมอที่เราบริโภคอาหารทุกวันทุกวันกินไม่หมดสักกินไม่แล้วสักทีก็คือว่าลวงซ่อมนั่นเองร่างกายสังขาร น, นี้มันเป็นของโสโครก ป, ปฏิกูลได้มาจากสึ่งปฏิกูลโสโครเมื่อได้มาแล้วก็ต้องซ่อมด้วยดูแลรักษาด้วยของโสโคร ป, ปฏิกูล โดอาหารมนุษย์ที่เราบริโภคส่วนมากนั้นจะมักจะมีสิ่งที่ปฏิกูลหรือเครื่องดองของมักอยู่เสมอมาหล่อเลี้ยงร่างกายอันเต็มไปด้วยของปฏิกูลเรียกว่าซ่อมอยู่อย่างนั้นซ่อมแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยอนนานาจอวิชธาจิตไม่รู้ตันหาจิต ด, ดิ้นหล่น จึงไม่ได้กำหนดพิจรารณามาดูสังขารร่างกายที่ตัวเองซ่อมมันอยู่ตลอดเวลาหนาวมาก็หาผ้าคอนท่อนสบายมานุ่ง ม, มาหม่มมันก็ซ่อมแซมอยู่เสมอที่หลับที่นอนที่อยู่อาศัยก็ต้องมีกุฏิเวหารบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยก็คือว่าเป็นโรงพยาบาลเป็นโรงรถ ที่ซ้อมอยู่ตลอดเวลานั่นเองดูร่างกายสังขารของเราให้ดีจะเห็นว่าเราซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายกินยาแก้ปวดหรือมีโรคชนิดใดหมอโกโหกอย่างไรแล้วเราก็เชื่อหลงไปหายาอย่างนั้นมากิน อัญญานี้ให้เราเข้าใจให้ดีโรคภยครัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นมานี้โรคบางอย่างนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่กินยาก็หายได้ก็มีที่นี้โรคบางอย่างเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วต้องกินยา ย, ยังหายคำว่าหายนั้นอย่าเข้าใจว่าหายขาดมันเพียงแต่บรรเทาลงไปชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็ เกิดขึ้นมาใหม่เป็นอยู่อย่างนี้ที่เราว่ามันนัยทีนี้โรคอย่างหนึ่งนั้นเมื่อเกิดมีในร่างกายสังขารของมนุษย์แล้วกินยาก็ไม่หายไม่กินยาก็ไม่หายตายแล้วก็หายนี่แหละโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นมันมีอยู่สามหลักอย่างกล่าวนี้ เมื่อโครคภัยไข้เจ็บอันใดบังเกิดมีขึ้นในโลกกขันจิตใจผู้อยู่อาศัยนี้จะต้องกำหนดที่เจรณาอย่าไปคิดว่าเกิดโรคขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ว่าแต่ตัวเองจะตายอยู่ทุกเวลามันไม่ตายตลอดไปมันก็ยังมีอยู่ถ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วยตายมันจะมีคนอยู่ในโลกหรือมันก็ย่อมไม่มีไข้เจ็บแล้วก็ตายก็ไม่มีคน ทีนี้ที่มันมีอยู่ก็คือว่ามันทนไปได้ชั่วระยะหนึ่งร่างกายสังขาร น, นี้จริงว่าเยียวยาพยาบาลอยู่ทุกเวลาความทุกข์ทั้งหลายแหล่ที่มนุษย์มีความทุกข์อยู่ก็ดูเถอดดินลนวุ่นวายในเรื่องอาหารการกินตลอดตั้งแต่เกิดมาตัวเองเยียวยาพยาบาลตัวเองไม่ได้ ผู้อื่นก็ช่วยดูแลรักษาให้เมื่อเราใหญ่แล้วก็เลี้ยงดูรักษาตัวเองมาตลอดเวลาก็เป็นโยอย่างนี้ให้ดูเรื่องที่มันเป็นโยมีโยในตัวนี่แหละอย่าไปดูที่อื่นร่างกายสังขารมันมีความชำรุดชุดโฉมอยู่อย่างนี้จึงต้องมี ย, ยาพยาบาลกินยาบ้างอะไรต่อมีอะไร ความทุกข์ความเดือดร้อนที่มันจะบังเกิดมีขึ้นในรูปร่างกายนี้มากมายหลายอย่างหลายประการสิ่งที่จะมาสังหารชีวิตของคนเราให้แตกให้ทำลายให้ตายหนีจากโลกนี้นั้นมันมีอยู่ทุกที่ทุกผานมันเกิดขึ้นจากคนเราด้วยกันตรงนี้เกิดขึ้นจากวัตถุยวดยานพาหะที่พาไปมาตรงนี้ พามาอย่างนั้นโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายสังขารโรคลมโรคอะไรมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลามันเอาให้ตายได้ทุกเวลาอย่าไปรอให้มันตายทําดีไว้ก่อนภาวนาพุทโธไว้ก่อนสงบจิตสงบใจของเราให้ได้ไม่ให้ใจพุ้งร้ามลำการรั่วไหลไปอยู่ใต้อำนาจี่แล แต่เป็นกฎธรรมดาอยู่ว่าถ้าใจของผู้ใดไม่ภาวนาไม่เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมอแล้วเมื่อเหตุการณ์สิ่งต่างๆบังเกิดมีขึ้นจิตปุถุชนคนเหล่านั้นเรียกว่าเอาไหนไม่ได้ฟุ้งซ่านไปหมดเป็นทุกข์เป็นร้อนไปหมดมีแต่โมโหโผโซ ฟ, โ ฟ, โฟุ้งซ่านขึ้นมานั่นคือว่าความสงมบไม่มีในใจ ความตั้งมั่นในตัวในใจไม่มีผู้ที่จะมีปัญญาพิจารณาเห็นแจ้งในหลักแห่งความไม่เที่ยงในหลักแห่งความเป็นทุกข์ที่เกิดมานี้เมื่อไม่พิจารณาไม่เพียนเช่งดูให้ดีแล้วจิตมันก็มาเป็นทุกข์เป็นร้อนกระวนกระวาอยู่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวเราของเรามายึดเอาหมดมายึด สบายก็ยึดว่าเราสบายแต่เมื่อเวลาสบายมันกิดดูไม่มีทุกข์เท่าไหร่นักเพราะว่ามันสบายไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรงมันเจ็บเล็กๆน้อยๆทีนี้ขั้นมาถึงเวลามันเจ็บปวดทุกขเวทนาโลกอะไรต่อมีอะไรมันเกิดมีขึ้นยิ่งโลกชนิดใดที่มนุษย์ลังกีโรกที่โทษกุศลอันมนุษย์ไม่ชอบเมื่อมันเกิดมีขึ้น ก็เอาแหละทำให้จิตใจเสียไปว่าเราเป็นโรคที่โลกเขาลังเกตอันโรคมันอยู่ที่ร่างกายดวงจิต ด, ดวงใจที่เราภาวนาพุโทโธอยู่มันไม่ใช่โรคอย่างนี้จะมาอยู่ในจิตในใจได้ใจนั้นถ้าภาวนาให้ดีทำจิตใจให้ขาวสะอาดไม่ให้คุณคล้องมองใจด้วยอารมณ์ใดๆ ใจของผู้นั้นก็ย่อมตั้งมั่นเย็นสาบายโยภายนมีธรรมมะคาสั่งสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าเตือนจิตใจโยเพราะว่าธรรมนัยคําสอนพระพุท ธ, ธเจ้านั้นมันมีอยู่ทั้งในกายภายในกายก็มีนอกกายก็มีภายในวาจาก็มีนอกวาจาก็มีภายในจิตก็มีนอกจิตออกไปก็มี ภายนอกก็มีภายในก็มียาละเอียดมันมีหมดทุกอย่างถ้าหาว่าจิตของผู้ปฏิบัติภาวนาตั้งมัน่นเย็นสบายไม่หลงไหลไม่ขาดเคลื่อนไม่หลงออกจากที่ตั้งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเขาจะแสดงให้ปรากฏทั้งคนทั้งสัตว์ที่มีวิญญาณครอง ท้างวัตถุท่าทางหลายต้นไม้ป่าดงฟงสีภูเขาเขาก็จ ะ, สะแสดงให้ปรากฏอยู่ใบไม้แต่ละใบที่มันร่วงหล่นลงมาเขากดเทศนาสอนเหล่าสททั่นทางหลายว่าใบาไม้ยังมีเวลาหลุดหล่นใบไม้มันยังตายได้ตัวเราจะไม่ตายเอาไปไหว้ที่ไหนตัวเราไม่แก่มันมีแต่ที่ไหนเล่าเมื่อใบไม้มันร่วงหล่นลงมา ให้ปรากฏและกิ่งไม้เล็กๆใ น, น้อยจนถึงกิ่งใหญ่บางแห่งบางต้นก็โค่นลงมาเป็นต้นเป็นลำแสดงให้ปรากฏแก่คนเราทั้งหลายอยู่ก็แสดงให้ปรากฏการอย่างนี้บางคนต้นไม้ยังหักทับได้หรือกิ่งไม้ต้ข้างบนมาถูกร่างกายของคนเราจนเจ็บปวดทุกเวทนากรงนี้ นั่นก็คือว่ามันเตือนนั่นเองเตือนว่าในโลกเหล่านี้ไม่เที่ยงนะในโลกเหล่านี้มันไม่ไม่ใช่สุสบายอย่างจิตใจเราคิดเห็นอเจ็บนั้นมันมักจะมองไปในแง่ที่เราว่าสกสบายแต่ว่าความทุกข์มันมองไม่เห็นอย่างมนุษย์คนเราในโลกเมื่อเวลาไม่สบายก็ดีสบายก็ดี แล้วเมื่อเวลาปัจจัยทั้งสี่มันขาดตกบกคลองมนุษย์ก็มักจะมองไปในแง่ว่ามันขาดทรัพย์สินเงินทองถ้ามีทรัพย์สินเงินทองแล้วจะมีความสุขอย่างเดียวตลอดกาล